พ่อรู้ดีอยวาวัตตาสงสารนี่เต็มไปด้วยทุกเต็มไปด้วยความเกิดเต็มไปด้วยเต็มไปด้วยควยคามแก่เต็มไปด้วยความเจ็บเต็มไปด้วยความตายเต็มไปด้วยความมีอกพัดหากเต็มไปด้วยความปรารถนาบรไสุสมหวังสิงมโนหนิงมันมาเต็มอยู่คิดอยู่ใจเฮาเพราิดใจเฮาเป็นผูรูจักภาพพดทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเมื่อเป็นเรื่องสัน้นแล้วก็ว่ามีคนณทางอันไหน สามีคนทางแต่เอาพระพุทธพระธรรมพะสง์สังลงไม่ใจให้เลิกก็แผ่นดินหนาสองแสนสี่มื่นโยดพนแผ่นดินหนาสองแสนสี่หมื่นโยดหลุดระเบิดปรมาโนเขาทาลายแตกทุกคนผู้ถึงพระพุทธพระธรรมพะสง์แล้วซึ่งเป็นอาจารย์และสัทธาสัทธาบอกแหวกสัทธาในโลกุตละสัทธาเชื่อมันใด้คุณพะพุทธพระธรรมพะสง์ ว่าเป็นค่าที่ค่าสร้างสอนของสัตว์ทั้งหลายเป็นนิย่านิกระทำนำสัตว์ออกจากวัตทุทั้งปวงนี่ทานวัดศีลวัดภาวนาวัดเป็นต้นท้านาวัดศีลวัดภาวนาวัดของเฮาเต็มตืนแล้วยุดไม้ปลายทางของเฮาก็จะเข่าสู้พระนิพพานเดี๋ยวนี้ท่านวัดศีลวัดภาวนาวัดของเฮายังบกพร่องดู เอาจึงได้มาท่องเที่ยวในวัตตาสงสารเพื่อสั่งขอใช้ในจิตในใจในมโนปุ้มขังของเฮาขันท่านวัดศีรวัดพ่อวนาวัดแก่ก้าเขาว่าในจิตในใจเฮาสะได้จิตใจเฮาปรนับวัฒนจักรสนะค่วมหลงจักรสนะค่วมพืน้นในวัดตาสงสารไปขันทกว่าขันท่านวัดศีรวัดภาวนาวัดของเฮายังมั่ท่านเต็มเที่ยงไหน เข้าก็มีนาที่สี่สางไปตพื้ตะพือนผู้ไปฮอดไล่ที่สุดก็คือฮอตในศาดนี่ผู้ขันที่สองก็คือพระศิยาเมตตัผู้ขันที่สามที่สี่ที่หาที่เก้าที่ร้อยที่หมื่นที่โกดที่ลานที่ตื่นซิวเซริวติวกับพระพุทธเจ้าองค์หลังเป็นลำดับไปอืมแนววันนั้นมันจังไหนก็ต้องไปบนเดียวกันเมดคลิปว่าแต่ประกอบไปหลังเท่านั้นอันไปพระในพรานี่ เออพวกที่ไปพอนี้พลานแล้วน่ะมากว่าเม่ดหินเม็ดทรายนี่องมหาสมุทรซีมหาสมุทรเพื่อเกียมตัวจักไปก็เหมือนกันเออผู้ไปแล้วกว็เหมือนกันดอกบัวซีเราเราที่อยู่ใต้น้ำก็ต้องไปที่หลังก็ต้องบานที่หลังดีว่ดี ว, ดว่าบานเพราะเป็นักษาแห่ง่าลเล่าดอกที่เสมอน้ำก็มีวันจักบาน ดอกเป็นตูมดอกที่บานเนี่ยก็ บ, บานเต็มพุม่มดอกบัวว่ามีแค่ขงังพุทธกาลเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่นําหงายข้อนะดอกบัวขอเดียวดอกบัวขอเดียวน่ะไม้ขั้วไม้ข น, นอยู่ในโลกแต่ละดอกไม้ขัวมาแต่ละลายของบุคคลอ่าดอกบานกันบาอเต็มพุม่ม คือผู้บาอาจารย์ผู้พ้นพ่นไปแล้วดอกตูมกระตูมเต็มพุ่มคือผู้ตะเกียกตะ ก, กายอยากรุดอยากพนอยู่ดอกเสมอนน้ำกระเสมอนน้ำเต็มพุ่มคือกําลังเล่มแห่งเล่มแ ห, ห้ท่านรักษาทิ้ภาวนาอยู่ดอกยื้อไต่น้ากับอุ ป, ปมาคือผู้ถือว่ามีบุญมีบาสุ ก, เอ า, ากเอาเฝ้ากินเออเจอกาอาาอ้างไม่ได้ว่าเพราะยังหมื่นมุ่นอนทาการอยู่ปวดมู่เห่า มันก็อยู่ในระวังดอกที่เสมอหําและคาลั่งเป็นตุมูมอืครู่าอาจารย์ผู้เพ่นปฏิบัติเคร่งขัดพน้นคนไปแล้วเหมือนดอกบวช ท, ที่บานอยู่ในปัจจุบันนี้เองปัจจุบันนี้ผู้คนพ้นไปแล้วก็มีอยู่วันใดนี้นิยมการว่นใดนิยมเวลาในอากาลดโกผู้ใดทาบุญย่ำใดก็เป็นบุญย่ำนั้นผู้ใดนําบาสนิยมใดก็เป็นบาสนิยมนั่น ย่ำใดยามของคิดของใจบาปมันกับบาปยุ่ยใจบุญมันกับบุญยุ่ใจทําบุญแล้วก็ล่งไปยุ่ใจหันวัได้ไปอยูบ่บนอืน่นขั้งสมบัติพัดสถานที่ห่อไปฝากไว้อันนั้นเป็นสมบัติพัดสถานภายในไ ม, ม่หลายเพราะโจรศิลป์เพราะเขาสิดปนเพราะเขาสิดจี้่ละพัดจึงไปฝากขั้งไว้เหลือว่าสังหารีมาทรัพย์ ส่วนอสังหาริมทรัพย์เปลือกสวนไ ห, หน้าของเฮ้าประยชนตามเดิมสวิญญาณเกษทรัพย์ทรัพย์ที่มีวิญญาณก็ดีอวิญญาณเกษทรัพย์ทรัพย์ที่ไม่มีวิญญาณก็ดีทรัพย์ภายนอกมือนี่เป็นของโมนเนนอนโจรหะละโ น, นนิธิโจละเอาไปก็ได้ไฝยไม่ก็เป็นพระราซ่าริบเอาไปได้ท่านเอาไปฟังไว้ในานา้ากระนาคุดซุบวันเตเอาไปกิน ฟังไว้หมขีดินก็พูดที่ปีศาจเอาไปมุคคลผู้มฝังคุ้มซับไว้ในท่านวัตศีลวัดภาวนาวัดเป็นคุ้มซับภายในอนุฆาเม่นี่ติดตามจนไปทั้งในพบนี่แล้วพบหนาในยังยิ่งคือพระนิพพานเดี๋ยวนี่เข้าจองคิวพระนิพพานแล้วสี่หอดศาตร์ไดพบไดก็บวได้ว่าผู้ปัญญาไหวก็ต้องหอดศาสตร์นี่มาค้าดีแลนจวงหมาค้าหัก อุปมาคือผูสามบารานีแก้ก้าแล้วก็ต่องแลนออกรผูสามผู้ท่านกล้าอุปมมาคือมาขาดีไปกอนบล mm. บรอการท่องเที่ยวในวัดตาสงสารถ้าว่ามีการสงสัยดอกนี่ตะเกิดแก้เก็บตายหมอเมื่ออดีตก็เกิดแก้เก็บตายเชื่องมาแล้ว ห ม, ม้องอ น, นาคตกะเคยแก่เก็บตายเพระท่านมาเถิมหม้อเงินในปัจจุบันกะเคยแก่เก็บตายที่กําลังเป็นอยนยูหม้อมึงอดีตกะอนิจังทุกครั้งอนัตตาที่ลวงไปแล้วมองเบมึงอ น, นาคตกะอนิจังทุกครังอนัตตาที่ท่านมาเถิมม้อเงินในปัจจุบันกะอนิจังทุกครังอนัตตาที่กําลังเป็ี่ยนยูเฮาเห็นคว่ำตายขณะคิดหนึ่งเฮาไปเห็เนหลอบโลกพรโลกเต็มไปด้วย e คว่ำตายเฮาประท้องสงสัยโลกอีก มืน่นไปสงสัยอีกก็เรียกว่าเห็นบอลชัดก็เรียกว่าเห็นตามที่เคยได้ฟังหน้าเห็นตามควอมจำที่ฟังหน้าถ้าเห็นชัดๆแล้วก็บ่กต้องสงสัยเห็นคตรเจ็บขณะนึงก็เห็นโลกรอบหนึ่งเห็นคนรตายขณะคิดนึงก็เห็นโลกรอบหนึ่งเห็นควอมบวมว่าเที่ยงคณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งเห็นว่าโลกทั้งร้ายเต็มไปแต่ความโชคเจียงซีแล้วข้าทั้งร้ายกับหมอนินสิมาสะสมควอมหลวงเลยแน่โลก พอลงสีบละอาลาถอยออกจากจิตาสันดานมันกับโบนีเนี่ยพ่อมองดูผักโพดของโลกมรรมุยบรีลีบรรับอุตสาที่อาโลเกอแจงสว่างเงินไฟโพงเกิดก็เกิดเปิดเผยทุกเกิดก็ทุกเปิดเผยทุกแก่ก็ทุกเปิดเผยทุกเก็บก็ทุกเปิดเผยทุกตายก็ทุกเปิดเผยทุกปาถนาไม้สมหวังก็เป็นทุกเปิดเผย ทุกพัดภาคจากสิ่งที่เรบที่ชอบใจให้เกิดเป็นทุกเปิปปสสดเปิดเผยมันซอเสดงให้เห็นทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งศีลน้อมยุ่กันอยู่แล้วเนี่ยเรียกว่าสมาธิหรือศีลสมาธิปัญญากม่มกืนกันเห็นจหมสิแล้วมันสมาธิหง ว, วัดต่อแล้มันสมาธิรับตาสมาธินี่ปัญญาสัะโยชน์เมื่อเห็นหลอกขอบในสิ่งเหล่านี้แล้วว่าเกิดผมมีข้อมสองสัยในวัฏฏะสงสัยทั้งปวงแล้ว ให้เขาแม่ทักพักเสียนหนึง่งก็มีแต่หวังาจากพ้นจากควอมลงจากของสิ่งเดียวเท่านั้นว่าได้หวังว่าจากมาเกิดแก่เก็บตายอีกเพราะให้พ้นไปเสียโดยดวนขันว่าดวนกะะับญาติสหายพ้นจากพระสยามตรตายไปหรือพระเจ้าสิพระองค์นี้อืมถ้าพูดไปไหวก็ ย, กยุว่าได้ผู้ใหพีจ้าหน้าทุกเป็นอารมณ์ฟอมกับลมหายใจเขาออกก็ดีผู้ใหพีจ้าหนาอนิจจังฟอมกับลมหายใจเขาออกก็ดี ผูพ้พี่จะน้าอนัตตาเป็นจะสักว่าสังขารถ้ำเป็นจะสักว่ากองทุกในมันตาสงสารอันนี้โมเมนสัตว์โมเมนต์บุคคลมีตะกองทุกหล่ล้วนอร่อดพี่จะน้าอยู่บ่มีกังเว้นกังคืนบุคคลผู้นั้นอยู่บ่ได้บ่มียิ่งานปฏิสัมพิสิทปิ์ตั้งอยู่บนไดนนักเขานักเขาตายเมื่อแล้วก็เข้าสู่พเนี้ยผ่านโหลดบ่ได้รอดซะเออบุญไฟจะไปดึงไว้ได้บุญไฟได้จะไปหามไว้ได้เออ ไปที่นี่โดเกณฑยไปหามข้อมือควอมนายความ้ายควอม้าวของสัตว์ของบุคคลใดเมื่อวันพ่อห้องไปห้องแม่มันก็ต้องไปของคนเกิดมาในโลกนี่มันบริยูระดับเดียวกันผู้สังบาลมีมากเกือบเต็มตื่นแล้วก็มีผู้ที่ไปในซาบหนี้ก็มีผู้ที่ถึงพระสวสดาบัณฑสัพท่าขามีอาณาคามีก็มีพระพุทธเจ้าทั้งหลายบริหวงบริยสัตว์บริยว่านห่วงกันอยู่บางพระ อ, องค์เป็น พระหน้าข้ามี่ไปอยู่ attacks, สัสส้นเอาวิหาอรตะป่าสุทธิสารสุทธิศีพระท่านในเขาสูพระนิพพานก็มีพระพุทธเจ้าของเฮาหายตัวแว็บไปข้าวเดียวยุปามหาวันขึ้นไปสุดท้าวัดท่านมาอยู่นี่แต่นา่นปัญใดแต่ว่าเฮาหูจักท่านแล้วแต่เฮาจักถามท่านท่านจะตอบคงกับข่ำของเฮาไหมพระพุทธเจ้าของเฮาเรารู้จักท่านแล้วท่านมาแต่ไสเราก็รู้จักแล้วท่านมาแต่พระเจ้าองค์ไหเราก็รู้จักท่านแล้ว แต่เราอจกถามท่านท่านจะตอบผมคำขั้มของเราไหมโอ้ยกับผมนี่ละกา마ล้มมาตั้งแต่ขั้มพระเจ้าก้าเอากาม마ล้มขาดไปแล้วย right. ังแต่โมหะล้มน้อยเดียวหนึ่งจ <okay ึงได้มาเป็นพระอน้าค้ามีอยู่นี่ไร้กลับไร้กันแล้วไปถามแต่ระดับระดับเพราะบางพระองค์รููแต่ฝังพระโคกูสัมโธก็มี่ แต่าปางพระอโนมาทศีกับมีเพราะอายุในอวิหาอัตตปาสุตสาสุตศีมันยืดไร้ลกลับไร้กันเออ <c oughs> เช่นแม่พระเจ้าของเฮาเองที่กระปาตธนาเป็นแม่พระพุทธเจ้ามาตั้งแต่พระเจ้าที่ฟังกอนเออแล้วมาเป็นแม่พระกรัปูสันโธ แล้วก็ออกจากแม่าพระพระกู๊ดซันโทแล้วมาเป็นโกนาคาโมโนออกจากแม่เป็นแม่โกนาคาโมโนละเสร็ามาเป็นพระเจ้ากัจจมาเป็นแม่พระเจ้ากัจจโปล่แล้วมาเป็นแม่พระเจ้ า, าโคตโมย่งอีกองหนึ่งเป็นแม่พระศิยาเมตย์ตายแล้วจกักรได้เขาซูโฟนิพนานง้อก็ได้พระสวดาบัรวางพระพุทธเจ้าคือประเทศโบสัต นายดามาดึงพระโคตรมาึ้นประเทศเทศเอาแม่แม่เด็พระสสดาบันยั่งอยู่เดียวนี่ออยังมาท่านเนี่ยเข้าสู่พระนิพพานยัง่งจะเป็นแม่พระพุทธเจ้าอีกองหนึง่งนิก้อนนี่ปัญหาสอดเข้ามาว่าพระสวสดา์บันแต่จักได้มาสางฆร า, าวาสหรือพระสสดา์บันเอกพิซี่นี่นเดีมาสางอยู่จาดหนึ่ง